การเก็บอรมณ์เข้ ม, มเพราะว่าเราจะงดกิจกรรมบางอย่างที่ทั่วไปลงตามพุินี้ในช่วงจวัน8วันนี้ช่วงหนึ่งวันที่หนึ่งถึงสของการปฏิบัติก็จะเป็นการทําความเข้าใจเรื่องทั่วไปวันที่สี่ที่ห้าที่หก็จะเป็นการทําความเข้าใจในส่วนละเอียดลึกขึ้นในแง่ของสภาวะ ในส่วนท้ายอีกวันสวันก็จะเป็นเข้มขึ้นให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาในรายละเอียดได้ตัวเองเพื่อให้เห็นความหยาบช่วงแรกกิจกรรมหยาบช่วงกลางก็กลางช่วงปลายก็จะละเอียดขึ้นในแง่ของความรู้สึกเพราะฉะนั้นในช่วง วันท้ายๆเนี่ยการเคลื่อนไหวต่างนี่จะต้องไม่หยาบเหมือนวันแรกๆหมายความว่าจะต้องเบาต้องช้าลงคือกิจกรรมและการปฏิบัติก็ต้องหยาบกลางละเอียดไปตามถ้าสมมติเราละเอียดตั้งแต่แรกเลยเราก็จะเครียดเพราะอะไรเพราะเราจะเกิดการระวังและเกรงมากขึ้นไป แต่พอวันท้ายๆนี่ร่างกายเริ่มร่างกายจิตใจเริ่มเข้าเทีย่ยทางการผ่อนคลายมีเยอะขึ้นพอลงรายละเอียดลึกขึ้นมันก็จด ก, การยืดหยุ่นได้ง่ายอันนีก้การศึกษาเพื่อให้เห็นโครงสร้างของรูปนามชัดตามลํา ด, ดับซึ่งเราจะแบ่งเป็นสามชั้นหยาบกลางละเอียดที่เราสวดมาเมื่อกีเก้เวทนาสามชั้น สุกครั้งเวทนางเวทียะมนุทุกครั้งเวทนังเวทียามีติประาญานตินะเป็นความสุขชั้นหยาบความความสุขชั้นกลางสามีสั่งทุกครั้งเวทเวทนังเวทียะมนุเมื่อความรู้สึกสบายที่ต้องอาศัยการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้รู้ว่าความสบายนั้นเช่นเราทานน้ำเนี่ยก็รู้สึกกลางกลาง พอไปก็รู้สึกสบายๆละเอียดพอไปทานเครื่องดื่มบางอย่างเป็นน้ําชาน้ําอะไรที่ลดน้ําผลไม้ก็ลดกลางๆก็รู้สึกปานกลางไม่มีอมิตรพอไปทานอาหารเข้มพวกน้ําพริกพวกรสจัดรสอยากขึ้นทุกครั้งสามมีสัง้งทุกครั้งเวทนางเวทียะมาโนเมื่อเสวยความรู้สึกไม่ ไม่สบายรดเข้มเราเพราา่อศาสตร์รล้รสหลอกเราว่ามันอร่อยแต่ความจริงมันคือไม่สบายนั่นเองบางครั้งก็เผลิดเพลเข็มจัดก็คือความไม่สบายโดยโดยรสอาหารมันหลอกเราว่าให้อร่อยต้องเข็มต้องเผลดจัดถึงจะอร่อยตรงนี้ก็ลสอยากก็เวทนาแล้วก็อยากอยาเพราะมีเหยื่อมากระทบาปานปานกลางก็ สามิสังอะตุกะมาสุขังเวทนังเวทยา mano เมื่อสวยเวทนาที่ไม่ใชส่สุขไม่ใช่ทุกเป็นกัปปัญกลางที่มีเยื่ออันท้ายๆบอกว่านิรามิสังอทุกะมาสุขังเวทนังเวทยา mano เมื่อรู้สึกกัางกลางด้วยที่ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นตัวกระตุน้นคือจิตใจของเรามีความรู้สึกเฉยๆสงบสงบ แต่ว่ามันไม่ใช่เฉยเฉสงบแบบปัญญาแต่เฉยสงบแบบสัญชตาตญาณก็รู้สึกกลางกลงเพราะนั้นที่เราส่วนมาเมื่อกี้สามระดับใช่ไหมสุขขังระดับละเอียดทุก ข, ขังระดับหยาบแล้วก็ทุก ข, ขับมาสุขขังระดับปานกลางเขาแบ่งไว้สามระดับแต่เนื่องจากมันเป็นบทบาลีเราตีบาลีไม่แตกแล้วก็ภาษาอะไรไม่รู้บางทีแปลเป็นไทยแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกเราก็มาแปลเป็นไทยอีกชั้นหนึ่งแปลเป็นภาษาสภาวะอีกชั้นหนึ่ง ในกิจกรรมเมื่อเมื่อก่อกิจกรรมหยาบเช่นเาต้องไปเร็วเดินเร็วเดินดังพูดดังรีบเร่งหยาบพอลดลงมาหน่อยก็เสียงลดลงเบาลงการลุกการนั่งก็จะยินเสียงบางก็แค่ๆก็ไม่ค่อยรบกวนอไรพอละเอียดขึ้นจะลุกจะนั่งไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบเลยจะเปิดประตูอะไรต่างจะทานข้าวทานอาหารก็เงียบ ก็ อ, อะไรลืมลื ม, มีสติมากขึ้นสัมผัสยอะมากขึ้นเกิดการระวัดระมัดระวังง่ายขึ้นอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะมีสลับกันอยากกลางละเอียดขึ้นแต่อารมณ์ในขณะนั้นว่าความละเอียดของสติสัมผัสูงแค่ไหนนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะร่างกายเหมือนกันทํามันรูสสนะ้สึกสบายรูปรู้สึกสบายแล้วกเออ็เป็นสุขเวทนาในะช่วงไหนรู้สึกไม่ค่อยสบาย เวทนาภายในไม่สบายก็แสดงว่าเราอาจจะได้รับอามิตรบางอย่างที่อาหารห ย, ยาบๆมาแก็ร่างกายเขาจะบอกเช่นเย็นเมื่อวานนี้เราทานอาหารจัดหน่อยโอ้น้ําพริกคุณจุม่มทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวดีแล้วก็ถูกรดดีอาหารหยากร่างกายก็บอกอเขาไม่อยากให้อยู่ในร่างกายนั้นรีบๆขับอาไว้วันนี้ก็เลยต้องการดีทอ็อกก็ต้องไปดลบไปทำดีทอนะ็อกหน่อย บางทีทานน้าทานน้าเปล่าเยอะๆนี่คือการดีท็อกซ์ทางข้างบนตั้งแต่ลําไส้ใหญ่กระเพาะอาหารลงไปทีนี้มันไม่พอเราก็ต้องส่วนลําไส้ล่างเพื่อที่ล้างขยะที่รถจัดๆนี่ไม่ให้หมักหมุมในร่างกายนา น, นจะก่อให้เกิดทุพโภชนาจัดซึ่งเรื่องเหล่านี้การวิปัสสนามต้องดูทั้งระบบเลยไม่ใช่ไปจะดูส่วนใดส่วนหนึ่งว่ามันมีผลต่อกายกต่เอใจต่อรูปอย่างไรต่อนามต้องศึกษา ซึ่งมีมนุษย์ประเภทเดียวเท่านั้นที่จะศึกษาเรื่องเหล่านี้ได้คือมนุษย์ที่มีศรัทธาวิริยะสติสมนิปัญญามนุษย์ประเภทอื่นเพืกอศึกษาไม่ได้ที่เขาไม่ศรัทธาเรื่องนี้ไม่สนใจเรื่องนี้ไม่มีไม่สร้างสติปัญญาระดับเหล่านี้มาเพื่อศึกษาเลยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายทุกข์ละมานไปเกิดแล้วเกิดอีกชาติแล้วแช่ดีเพขาก็ไปอย่างนั้น แต่ยังมนุษย์อยงพวกเราเนี่ยก็าเริ่มเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นมาละพอสนใจเรื่องนี้แต่ส่วนใครจะลงได้ลึกรายละเอียดเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่วิริยะและสติปัญญาของคนนั้นอีกทีหนึ่งเนะีเพราะฉะนั้นขบวนการปฏิบัติธรรมเป็นขบวนการทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะแล้เราถึงจะรู้ความหมายว่าชีวิตจริงๆมันต้องไม่ยึดติด ก, กับสุขกับทุกข์แต่ใช้สุขใช้ทุกข์เป็น เครื่องมือเราต้องไปเหนือสุขเหนือทุกการที่เราใช้สุขใช้ทุกเป็นเครื่องมือพัฒนาจิตวิญญาณนะก็เลือกไปเหนือและแต่เรายังหวงสุขห่วงทุกอยู่นี่การแสดงว่ายังติดสุขติดทุกก็อยู่เวียนว่ายใจเกิดในสุขในทุกนั่นแหละนี่เขเป็นพบเป็นชาตินะเอาละ ว, วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการหลวงพ่อเทียนเดือตรงสองสามวันสี่วันก่อนมาพูดถึงเรื่องทั่วไปตามหลักสติปัฏฐานบางตามเราทํากันบ้าง ทีนี้วิธีการของพเทียนท่านก็จะไม่ต่างจากหลักสูตรนั่นแหละแต่ว่าฉ่านใช้ภาษาของท่านนะอย่างที่เราดูในโปรเจคเตอร์ว่ า, ารูปนามเราใช้ท่าสขัน5ภาษาภาษาตำรายใช่ไหมห้าสขันห้าเดี๋ยวพุทธยนว่ า, ารูปนามทีนี้พอ ไปเรื่องของนามรูปในภาษาตําราก็เป็นเจ็ดสุบบาทเนี่ยก็คือนามรูปนั่นเองเป็นเหตุให้เกิด น, นามรูปทั้งหมดเราไปใช้คําว่าปฏิสุบทแต่ว่าในภาษาโมเรียนลงไปง่ายกว่านั่นอีกนามรูปก็คือความคิดก็ง่ายขึ้นเชื่ฟังง่ายขึ้นความคิดกับนามรูปเพราะว่าถ้าไม่มีนามรูปหรืไม่มี ความคิดแล้วนะมันก็ไปสร้างเรื่องราวต่างๆไม่ได้เพราะมันมีความคิดถึงสร้างเรื่องได้อันนี้คือความวิเศษของพลวงพ่เทียนคือหมายเขาว่าย่อยภาษาที่ยากๆให้เป็นภาษาที่สัมผัสได้เลยคือความคิดความคิดที่เป็นไปโดยสัญชตาตญาณเหมือนหนูใช่ความรู้สึกตัวที่เป็นไปโดยสัญชตาตญาณ เป็นหนูแต่ความรู้สึกและความคิดที่เป็นไปโดยตั้งใจมีสติมีสมาธิปัญญาเหมือนแมวแต่ความรู้สึกอันเดียวกันใช่ไหมความรู้สึกอันเดียวกันดังนั้ น, น, นเวลาเราจะดูรูปให้เป็นที่ตั้งว่ารูปที่เป็นที่ตั้งของความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นรูปคืออะไรในภาษาดาราเขาเรยกวทนาใช่ไหม เวทนาสังขารวิญญาณที่เป็นนามแต่พอในภาษาหลวงพ่อเทียนว่าความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ที่เนื้อรู้ที่ตัวรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวยังไม่รู้สึกใจนะความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวเรือเวทนาเพราะมันรู้ที่เนื้อถึงตัวเนี่ยก็เป็นเวทนาแล้วตอนนี้ความรู้เนื้อรู้ตัวบอกอะไรเรา บอกความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ความสบายหรือไม่สบายนะภาษาตำราเขาเรียกว่าความรู้สึกเป็นอนิจจังทุกขังนาตานะภาษาอภิธรรมก็ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่อาการเดียวกันเนี่ยแต่รู้สึกว่าใช้คำว่ า, วารู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆก็ง่ายเข้าไปอีกใช่ไหมง่ายา ที่นี่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆทางกายการเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างมีสติเรียกว่าการมีสติแบบปัญญาญาณถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องแบบมีสติแต่เป็นสติที่เป็นมิจฉาสติเช่นว่ารู้สึกไม่สบายแล้วเปลี่ยนไปปับเนี่ย มันก็จะมีความหมายตรงว่าถ้าเราเปลี่ยนด้วยความสติที่ไม่ถูกก็คือความหนักหน่วงเจ็บปวดหายไปจริงแต่ว่าเราได้คุณภาพชั้นเดียวคือความสบายเกิดขึ้นแต่คุณภาพชั้นที่สองเราไม่ได้คุณภาพชั้นที่หนึ่งก็คือเราเปลี่ยนไปตามสัญชาติยานเปลี่ยนเอาความหนักหน่หนหนวงทวงทพวกนั้นซึ่งมันเกิดด้วยอำนาจของอะไระเกิดอานาจของความ ไม่สบายแต่เรามาเรียกว่านิจังทุกข์ังหน้าตาซะอย่างนี้นะซึ่งเราก็มาเรียกในภาษาโมกเรียนนะก็มันไม่สบายแค่นั้นเองพอไม่สบายก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนด้วยท่าทีไหนท่าทีอย่างมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือท่าทีอย่างมีความรู้สึกตัวแต่ไม่ทั่วพร้อมนะถ้าเป็นสติที่เป็นสัมมาสติจะต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือสัมปชัญญะ แต่ว่าสติที่เป็นไม่ใช่เป็นวิปัสนาเป็นสติที่ไม่สมถะอาจจะรู้ตัวเหมือนกันแต่ว่าไม่ทั่วพร้อมแต่ถ้าหากว่าสมาธิสมถะที่ไม่ถูกอีกเพ่งตั้งใจกดทับเื่อให้มันยาวให้มันหนักไปเรื่อยๆเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรมันหนักอย่างไรเราจะทนได้แค่ไหนเราแน่แค่ไหนก็จะเป็นสติที่เป็นมิฉาสติปอีกนะ แต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเออในขณะนี้ความหนักมันปรากฏตรงไหนตะปูกที่หลังเท้าปลายเท้าเข่าน้าแข้งลําดับตรวจสอบดูก่อนจนเห็นความรู้สึกชัดตรงไหนชัดตรงไหนไม่ชัดถ้ามันไม่ชัดโยกขยับดูอีกนิดหนึ่งเวลานั่งไปนานๆรู้สึกเกิดมันรู้สึกร้าวเราว่ราร้อนอย่างเงี้ยนะขยับดูเอ พอเปลี่ยนได้ก็ เ, เอ้ยมันพอยอยู่ได้นี่ยังไม่ต้องเปลี่ยนอย่างนี้นะแลเปลี่ยนหลายๆครั้งรู้สึกมันหนักเรื่อยๆก็อาจจะเปลี่ยนเห็นเห็นความนหนักนล้วนั้นเริ่มกระจายหายไปแล้วก็เขาพลิกไปนี่เราจะได้สติชั้นที่สองละคือสติที่เป็นสัมปชัญญะเราเรียกว่าสัมปชัญญะนะถ้าสติชั้นเดียวแบบสมถะ หรือวิปัสสนาก็ไปดูตรงนั้นอีกสติชั้นเดียวแบบละเอียดหรือไม่ละเอียดซึ่งสิ่งเหล่านี้เราคอยศึกษาไปในวิธีการอารเทมนานีมีสติรู้เนื้อรู้ตัวคุขับรถเอามาให้รถตู้ไปส่งพระไปเข้าค่ายก่อนนะเแต่เมื่อวาน ลรถขยรถขนของขนสัมภาระไปเข้ามาเชียวเอาหน่อยนก็เราหลวงพ่อจะตามไปวันที่20สิบเนี่ยว่าพวกสูไปก่อนก็นะเปนเ่่ต่าได้เต่าทำมอก็ก็เลยว่าตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้กายเห็นกายดูกายเห็นกายทีนี้ความรู้สึกตัวพร้อมไปดูนาม ไปดูจิตอย่าไปดูนามนามเป็นตัวดูอยู่แล้วแต่ดูใจจิตใจจิตใจหรือนามถ้าเป็นภาษาตำราก็เรียกนามารูปจิตมันคิดนามภาษาตำราก็เรียกว่าสังขารอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ไม่ใช้สัพท์นั่นเราไม่ใช้สับว่าเออเรารู้ว่ามันคิดปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งคิดหมายควาะว่ามันอาจจะคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้อาจจะปรุงหรือไม่ปรุงก็ได้เป็นความคิดเฉยๆเป็นความคิดที่ปรากฏเฉยๆเรียกว่า นำมาลูปแต่พอมาเริ่มปรุงแต่งปรุงแต่งในแบบไหนปรุงแต่งแบบตั้งใจปรุงเช่นว่าเออผ้าตัวนี้รู้สึกเหมือนเปื้อนนะวันนี้จะไปซักหน่อยอเก็บไว้ลักษณะนี้เป็นอะไรเป็นความคิดหรือยัง mm hmm. เป็นความคิดแบบสติปัญญาตั้งใจที่จะคิดตั้งใจว่าจะไปซักวันนี้ก็จบแค่นั้นลักษณะความคิดแบบนี้เป็นสติ เป็นปัญญาที่นำไปใช้มันจำเป็นต้องมีใช่ไหมไ ม, ไม่คิดเลยไม่เอาอะไรมันไม่ใช่เขคนผิดปกติเท่านั้นแหละเพราะงั้นเรา้เข้าใจหรืองทอีความคิดประเภทที่สองมาเห็นโยงเนี่ยคือคนนั้นง่วงคนนี้ไม่ง่วงคนนั้นตั้งใจคนนี้นไม่ตั้งใจก็รู้อยู่คนที่ตั้งใจจะทำยังไรคนที่ไม่ตั้งใจจะทำะไงคนง่วงทำไงคนไม่ง่วง อันนี้เป็นตัวสติปัญญาที่สํารวจแต่ถ้ารู้เฉยๆแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวไปผ่านไปทั้งเอาไปดูนั้นอีกก็เป็นตัวเรียกว่าธรรมารมณ์ที่กระทบจบแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่ให้ความหมายอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไป น, นี่ความคิดประเภทเรียกว่าธรรมารมณ์ความคิดประเภทแรกเรียกว่าสติทีนี้ความคิดประเภทที่3มเนี่ย เขาเรียกมือที่สาตัวนี้สำคัญไปเห็นโยมนั่งข้างหลังยยกมื อ, ยก ม, อยกมือไม่สวยเลยไวยเกินไปไม่เป็นจังหวะเลยใช่ไม่ได้ปฏิบัติมาตั้งหลายวันเรามีอจารย์แล้วใช่ไหมตัวนี้เรียกว่าสังขารหรือความคิดปรุงแต่งทึ้งทิ่งทิ้งที่เราคิดอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่มันคาดคเนไปตามความความความคิดของตัวเองอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ หรือไปเห็นโยมคนหนึ่งนั่งหลับตาสร้างยังหวะเราก็เอ๊ะบอกให้ลืมตาสร้างอย่าทําไมนั่งหลับตาแต่หารู้ไหมว่าขนาดนั้นเขาอาจจะแสบตาคันตาหรือลืมตาหนาเราเมื่เหนื่อยก็พักสายตาเสนหน่อยความเป็นจริงใช่ไหมแต่เราไปว่าตามกรอบความคิดของเราว่าเราบอกให้หลับตาทําไมต้องหลับตาเราไปติดอุปทานานั้นเราก็ไปเกิดคิดตําหนิใช่ไหมเนี่ยแต่เราไม่พอไปถามเจ้าตัวองค์พราะผมแสบตาแล้วเมื่อคืนนี้ตาไม่ค่อยสบายหรือลืมตาไปเรา ผมตามมันภาษาตามันอ่อนบางครั้งผมก็ต้องหลับบ้างอันนี้ความเป็นจริงใช่ไหมบางทีความเป็นจริงที่เราคาดคิดแต่สินใจมันคนละเรื่องเลยนี่เรียกว่าสังขารมันไม่ตรงกับข้อแท้จริงหรือบางอย่างตรงแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดตรงเป็นบางส่วนไม่ตรงเป็นบางส่วนใช่ไหมนี่เรียกว่าสังขารนี่ประเภทนี้ต้องระวังตรงนี้เขาเรียกว่าสังขาราจิตเป็นเรื่องหรือได้คิดในทางดี หรือขี้ในทังไม่ดีก็ตามก็มีผลนะเพราะนั้นความคิดหรือการปรุงแต่งมีสามประเภทประเภทที่หนึ่งคือต้องใช้สติปัญญาเกี่ยวข้องแต่เรารู้ได้ไงว่าเป็นเพสติปัญญาเพราะไปเกี่ยวข้องแล้วมันจบใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่จบกลายเป็นอะไรเป็นสังขาร จว่าเออจะไปซักภาพก็คือจบท่านั้นเองแต่ไปซักที่ไหนจะซักยังไงไปตากที่ไหนเออไม่ไม่มีใครมาซักให้เราเลยอะไรเนะี่ยไปนู่นเลยใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นบูมแต่งไปเนีย่ยเห็นไหมตัวสติปัญญานะ่แหละพร้อมที่จะเป็นสังขารได้ถ้าขาดตัวสมมาสติมันไม่จบตรงนั้นนะแต่ทีนี้มาดูตัวที่อีกตัวหนึ่งบางประเภทที่สองที่ว่าดูแล้วผ่านเลย ไม่ได้สําคัญมันหมายคนนั้นดีไม่ดีสวยไม่สวยหล่อไม่หลอ่อใช้ได้ไม่ใช้ได้ก็รู้เฉยๆก็ผ่านไปนี่อกีมาขะ น, นั่งดูตอนมันยังไม่สว่างอ่ะเนะากะกระจกมันก็กระท้อนเห็นคนยกมืออยู่แต่อีกอันนึงแวบบแวบบเอ๊ะทาไมคนยกมือไวอย่างคนใครยกมือไวอย่างก็ทางตา ด, ดูชัดๆหลายรอบอมันไม่ใช่คนยกมือไวนี่นะ ไอ้แอร์ตรงนั้นลมที่ออกแอร์ตรงนั้นมันกระทบใบไม้ใบไม้มันแก่งตามจังหวะแอรแปบแเหมือนคนสร้างจังหวะอันนี้บางครั้งเนี่ยความคิดทั้งสามประเภทต้องมีความชัดเจนด้วยถ้าไม่ชัดมันมีอุปทานและตัวถ้าตามภาษาจีนเรามันมีตัวอุปทานอยู่เบื้องหลังอุปทานนั้นเหมือนประลอดกระจกพร้อมพร้อมที่จะเป็นภาพหลอกเราได้เป็นเป็นกระจก บางครั้งเนี่ยเราเข้าไปห้องน้ำโดยเฉพาะห้องน้ําที่มีกาเนีมันมีกระจกเขาใช้กระจกรอบด้านเลยเราโฟล์เข้าไปแล้วตกใจเลยนึกว่าอีกคนโฟล์มาหาเราใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือตัวอุปทานที่มันละเอียดอ่อนมากอันนี้ขนาดเป็นวัตถุภายนอกนะเขายังจําลองได้ขนาดแล้ววัตถุภายในคือจิตของเราที่มันมีอวิชชาดันหาอุปทานมันหลายมิติมากมเลยมันกระจกหลายหลายๆซ้อนกันหลายมิติมากเลยในระดับของปฏิสุบัต เป็นสิบกว่าชั้นนะทีนี้เราจะไปทันมันชั้นไหนถ้าเราไม่ตั้งใจชัดๆนะจ๊ะไหมเพราะฉะนั้นความชัดเจนจึงเป็นเรื่องสําคัญมากมิขี่ยมาไปดูนั่นนะถ้ า, ม า, มาไม่มาไม่ตั้งใจดูชัดๆเนี่ยเอามาก็จะสําคัญว่าเอ๊ะทำไมท่านปอกอยู่ข้างหลังสร้างยังหวะไว้เรื่อจะหันไปบอกว่าท่านปอกสร้างยัอหวะช้าๆเน่ะเอาไปมาไม่ใช่มือท่านปอกนี่นนะลมมันพัดไปไม้แว่งไปแว่งมาอย่างเงี้ยเหมือนมือสร้งจังหวะ นะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องดูให้ชัดๆความรู้สึกอะไรใจโยกแกขยับหายใจลึกๆไปยังไงร่างกายที่มันเ ร, าร่าร้อนในบางครั้งที่มันเย็นในบางครั้งมันเน็บมันชาในบางครั้งบางครั้งเรานั่งไปสบายๆนะนึกว่าไม่มีอะไรแต่พอจ ะ, ะ ล, ลุกไม่ได้ ยงุงเมื่อวานใช่พวกลูกไปหมดแล้วอันนี้ตัวยังขาอ้าวทำไมไม่ลูกเน็บชาว่า ง, งั้นอ้าวทาไมไม่ตามรู้อ่ะตางรู้ไหมเพราะความไม่ชัดเจนนะเพราะฉนั้นช่วงช่วงช่วงนั่งหรือเราต้องขยับอยู่เรื่อยว่าอะไรเป็นอะไรบางครั้งมันไม่ได้เกิดให้สัมผัสได้ชัดหรอกมันปวดไม่ปวดเหนยบไม่เนบใช่ไหมเพราะเราแช่กับมันเราก็จะไปฟังเพลินไปอะไรใจก็ไปอยู่ทางอื่นอันนี้ก็มีผลมากนะ พูดถึงเรื่องเบอร์ทานที่ทำให้เกิดความคิดหลายมิติเนี่ย mental dimension variety of mental dimension มันหลายมิติสมัยปี2728ดตอนนั้นมาไปไปต่อไปยา ท, ทูที่บาลีสันสกิตอยู่ที่ศรีลังกาเดี๋ยวไม่จบหรอกเพราะศรีลังกามาลกันซส ก, ก่อนเอามากลับมาก็เข้าป่าเลย ทีนี้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยามาจะไปพักที่เกาะแห่งหนึ่งเรียกว่าเกาะไอร์แลนด์ทมวยเทิอยู่ทางใต้ของจังหวัดกอของศรีลังกาข้ามไปเกาะนั้นไปอยู่นั้นเพราะที่นั้นถึงรู้ว่าโอโห้พระอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะอย่าไปว่ากันนะพระชาวเยอรมันที่ที่ใช้ยาขึ้นว่ายานะเนี่ยเป็นพระเยอรมันแทบพระนั้นยานะวะโลญาณะติโลกญาณะติโลกญาณะโมลีอะไรพวกนี้ ญานติโลกะท่านแลท่านยานตติโลกะออกมาก็คือไปพบท่านเป็นเป็นพระที่ชาวเดียวมันทีนี้ไปพักที่นั่นแล้วปรากฏว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยมีอุบาสกคนหนึ่งชาวไอริกขบวชเป็นพระอยู่ที่อินเดียอยู่สามสี่พรรษาเขาบอกว่าบวชเป็นพระนี่วินัยมันเยอะไม่ไหวปฏิบัติยากท่านก็ศึกก็ยังป่งผมนะเป็นอุบาสกเป็นอนาคาลิกดีกว่าอันนี้เขาไม่ใช่ธรรมเนียมของทิลวาตเพราะฉะนั้น ท่านมิสุโอศึกเราถึงไม่แปลกใจเพราะว่าท่านดำเนินของมหายานเองก่อนนะเขาก็มีอิสระในการที่ใช้รูปแบบแต่ข้างในจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องส่วนตัวทีนี้หลังจากที่ตอนก่อนจะกลับเนี่ยเรากา็มาสนทนาธรรมกันมีอยู่ช่วงหนึ่งเราสนทนาธรรมกับเรื่องความคิดสังขาปรปูงแต่งเนี่ยว่าเขาเข้าใจถูกหรือแเขาเข้าใจผิดเราพูดถึงสภาวะจิตเวลามันคิด ความคิดหลอกเราได้อย่างไรแต่ความคิดบางอย่างเราคิดไปก่อนยนะมันหลอกเราแต่พอจริงๆแล้วไม่ใช่เช่นรู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ําเนี่ยพอไปถึงห้องน้ํามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายไปเฉยเลยเนี่ยมันหลอกเราเอ๊ะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สำรวจชัดเจนใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเรารู้สึกอยากเข้าห้องน้ําต้องสํารวจตรวจสอบมันอะไรกันแน่นหนักหรือเบาจริงหรือเปล่าดูมันสักพักหนึ่งก่อน แต่ถ้ามาดูมันชัดชัดเนี่ยมจริงหรือไม่จริงพอไปถึงไปหาการทางก็มีเดินกลับเฉยเลไอย่างเงี้ยมันหลอกเราที่เราก็ถูกเถียงกันเรื่องเนี้แกก็บอกว่าอรรมายังเข้าใจไม่ชัดไม่ถูกอ่ะฉันจะทำไงให้เข้าใจชัดอย่างที่คุณเข้าใจแกก็อุตสาห์ไปหาเศกกระจกได้นะเศกกระจุกขนนั้นเนี่ยมาเศกกระจุกที่เขามันเก่าแล้ววันทิ้งเนี่ยนะกระจกไอ้สองหน้านี่นะแกมาทุบทุบทุบทุบทเป็นชิ้นๆชิ้นท้าย้าทั้ง ยี่สิบชิ้นสามสี่ชิ้นแล้วแกก็มาตั้งเรียงเลงเลียงกันแล้วก็ก็ไปหาเทียนมาจุดมาตั้งหนึ่งเล่มเม่แกทำไอ้ที่มันที่ตั้งอ้อมอ้อมโค้ ง, งเอาหนังเสือแล้วมาวางเป็นรูปโค้งแต่ก็อุตส่าห์เอานี่เขาเขาเขาละเอียดมากเลยนะฝรั่งนะแล้วก็จกเป็นชิ้นเนชิ้นมาวางวางมางวางอ้อมมาเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็จุดเทียนขึ้นตรงเนี้ ก็ถามจำมะว่าคุณเห็นอะไรไหมเห็นก็เห็นเทียนเห็นกระจกคุณว่าในกระจกนะั้นมีเทียนกี่เล่มเอามาถึงร้องอ๋อนะอะไะเขาต้องการตรงนี้เองแต่ความจริงเทียนจริงๆมีกี่เล่มเล่มเดียวแต่เทียนอยู่ในกระจกกี่เล่มถ้าคุณใส่ไปร้อยแผ่นมันก็มีร้อยเล่มถ้าคุณใส่ไปพันแผ่นมันก็มีพันเล่มอันนี้คือสังขารอันนี้คือจิต โอ้อามาสว่างเลยแล้วเนะี่ยจิตมันมีดวงเดียวมีขนาดเดียวแต่ว่าไอาการที่มันมีหลายเล่มนั้นเป็นจิตแท้ไหมมันเกิดจากอะไรนะบ่นี่คืออุปท า, านโอ้โหชัดเจนมากในโอกาสนี้อามาได้พบกับชาวพุทธชาวต่างประเทศนะี่มันได้ไอเดียอะไรใหม่ๆจากเนี่ยบางทีเขามีความคิดที่อะไรที่แปลกไปกว่าเรา มันก็เลยได้ความคิดโอ้ยางนี้อุปทานอวิชาตันหาอุปทานมาแยกเป็นตัวจิตต่างๆอะไรนะตามหลักอภิธรรมอะเจจติห้าสิบสองจิตแปดสิบก้าดวงรวมร้อยเปลียนจิตร้อสิบอะไรดวงัะที่เราเรียนอภิธรรมก่อนใช่ไหมอันนี้คือมิติของจิตแต่จิตจริงๆก็คือดวงเดียวและขนาดเดียว h i s b j e t very classic maybe you u n e r s t a it or not trans s a นเสียบทไอเซอันน่าเสียดายเ so you need to learn Thai more ท <laughs> <ภ>ั<ย>้นั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคืออย่าไปเชื่อความคิดอะหลวงพอ่ออย่าไปเชื่อมันอย่าเข้าไปในความคิดหลวงพอ่อเ่ใช้ตัดบทมาง่ายๆเลยเวลาความคิดมาดูก่อนอย่าพึ่งเข้าไปในมันอย่าพึ่งเชื่อมัน ถ้ามาเชื่อว่าเออเทียนเป็นร้อยเล่มเขาไมีเล่มเดียวอะ่ะเราต้องมาตั้งสติก่อนพอตั้งสติปั๊บมาถึงเราล้มไอกระจกนั้นทั้งหมดเลยเราเจะเห็นเทียนอยู่เล่มเดียวใช่ไหมแล้วก็พับไอกระจกเหล่า น, นั้นลงไอเทียนร้อยเล่มที่ปรากฏในกระจกเป็นไงมันก็หายววบไปทันทีพอเราดึงจิตออกมาจากความคิดปั๊บเนี่ยความคิดและอุปทานต่างๆคันปุ่งแต่งเป็นไงล้มทันทีแต่ในกรณีนี้เอ๊ะ ทั้งสติรู้สึกตัวแล้วความคิดมันก็ยังอยู่หมายความว่าไงมันยังล้มไม่หมดบางอันมันลืมล้มนะบางอย่างมันลืมล้มกระจกลืมข้อมกระจกลงดังนั้นความคิดทีด่ ว, ว่าเป็นสติปัญญามันก็เหมือนตัวที่เราตั้งขึ้นมามันมีอันเดียวแต่เราขาดสติปับ๊บมันเกิดกระจกมิติต่างๆใช่ไหม ดังนั้นเราอยู่เพิ่งไปเชื่อความคิดคิดถูกคิดผิดก็ตามดูไว้ซะก่อนดูจนแน่ใจชัดแล้วก็ค่อยเชื่อมันการที่เอาตัวความคิดปรุงแต่งเราได้สติแล้วเหมือนเราตั้งเครื่องกันเครื่องกรองก็การกรองก่อนเพราะความคิดปรุงแต่งเมื่อถูกกานกรองมันกลายเป็นสติปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วใช้เลยมันเป็น raw thinking raw mind คือใจที่ดิบอยู่บรรพุทวัตถุดิบนะ would like to s u m m about it we talk about the uh, mental dimension we have many many mention w the multiple mention because but the real mind we only have only one moment the real mind only one moment but uh, the mind we have three kind of mind the first mind we call uh, Wisdom or mindfulness, but second, we call instinct. Or when we see something pass, we see something pass by. All of six senses can contact with u s uh, external six senses. Contact o r internal six senses can we have a p e a r the picture, mental picture, but we don't involve such a picture, such so a see as a. Uh, She, she is a thing. She is a mind. It's not, uh, it's not thing of that as a, that, d i d and that. So the see only see it, just seeing, and let them go. We call in the Dhamma word, Dhammarum, no. and let them go. That is not the cause of suffering. But when you think with the. uh Wisdom or mindful, m f u l m f u l thought. But you are unaware. Some, some, still unaware. Left you unaware of such a thought. Not see that thought clearly. Thought, but not see it clearly. l e y it with an mindful or u n intentionally to see an insight to see. That is, see without awareness. Such a might create many many dimension of thought, like a mirror. When you s h uh, e d on the candle, the picture the picture of the candle appear, or effect on the mirror appear many many dimension. But when you take all of mirror out, left only One candle. That's the real mind l e o n l one. Is knowing. Real mind is knowing. Real mind is the uh, awakening, alerting. That's the real mind. But if you start to think like this and that, you create the mirror. We call attachment, desire, defilement. That we create many dimensional o u g h t t h a t t h e h a n y thought. Maybe right, maybe wrong. Ah. Uh, maybe uh, false maybe uh, correct so need to see it clearful clear mind นันแล้วจะเห็นว่าถ้าเราพยายามดูให้ละเอียดละเอียดเราจะเห็นความคิดที่มันเป็นสติองเป็นอย่างนี้เองคือโดยสัญชตาตญาณมันก็รับรู้ทุกอย่างและรับรู้แล้วชัดหรือไม่ชัดรับรู้แล้วไม่ชัดกลายเป็น สันชัดเจนเราเรียกว่าไอความไม่ชัดตรงนั้นเองเลยเรียกว่าอาวิชาใช่ไหมมันไม่ชัดแต่พราเรายายามให้มันชัดเราเริ่มสร้างวิชาเพราะฉะนั้นตัวคําว่าทำชนะนายการทำพิสูจน์แห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดปัญญาเยทาติเวลาเราสวดใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาจึงว่าปรากฏชัดเพราะนั้นการเข้าไปดูอะไรชัดชัดทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันจึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอะไร ปัญญาแต่เราเรียกมันว่าสติสมุทัก่อนเพราะเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาคือเหตุใกล้ให้เห็นสิ่งนั้นชัดแต่การที่เป็นเหตุให้เราต้องดูสิ่งนั้นชัดไม่ชัดอะไรมาเป็นตัวบอกเราสุขทุกเวทนาอขณะ น, นี้เรารู้สึกหนักขาเนี่ยเวลาเรานั่งทับส้นน้าหนักเราตั้งหลายกิโลทับลงไปที่หน้าขาของเราทับปลายเท้าของเราความรู้สึกหนักตัวนั้นมันปรากฏแล้วใช่ไหมเอ๊ะฉันก็ดูมันชัดถ้าดู ถ้าด้วยความรู้สึกหนักหรือสึกเก็บทังนั้นเราก็รู้ว่ามันชัดรู้ชัดละ่ะชัดในฐานะเป็นอะไรเป็นเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกขกับเวทนาการที่จะรู้สิ่งนั้นชัดแบบทุกข์กับชัดแบบไม่ทุกข์เนี่ยจะเอาไหนคนทั่วไปก็เอาชัดแบบไม่ทุกข์ใช่ไหมหมายความว่าหนักแบบไม่ต้องทนน่ะแต่ว่าหนักแบบต้องทนเนี่ย มันหนักทนต่อไปนานๆเข้าไอ้ความหนักของรูปที่เราทับตรงนั้นน่ะมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันเพิ่มจํานวนขึ้นมันเพิ่มจํานวนขึ้นถ้าสติสัมยาหลักเราไม่เข้มแข็งไอ้ทุกเวลานาที่บีบรูปอยู่ตรงนั้นเป็นไงมันก็ล่วงลางไปเฮิรจิตที่มันไปทําให้จิตรู้สึกแกว่งเพราะนานเข้านานเข้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่ปรับเราไม่ดูจิตให้ชัดไอ้ความจิตของเรามันแข่งนั้นก็จะกลายเป็นตัวรู้สึก ชอบไม่ชอบเบื่อไม่เบื่อใช่ไหมจิตของเราก็เริ่มสายตามแหล่งของเวทนาแต่ถ้าหากว่าเรามีกำลังของสติสัมยาเข้มแข็งจริงสามารถสกัดกั้นความรู้สึกไม่สบายกายที่เข้มขนาดไหนก็ตามเราสามารถดูมันได้อย่างสบายนั้นคนนั้นมีความ ช, นชนานิชํานาญในการปกครองจิตสามารถดูเวทนาทุกเวทนาได้นาน ซึ่งสําหรับผู้ใหม่เราไม่เราไม่แนะนําเพราะเราไม่แน่ใจว่ากําลังของสิมแยะที่เรากําลังฝึกเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับผู้ปฏิบัติจนชวินิํานาญแล้วเนี่ยเขาจะใช้เวทนาหนักเวทนาเบาเนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องถูกเรื่องผิดแล้วแต่เป็นเรื่องว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนในการส ก, กัดไม่ให้ทุกสุขเหล่านั้นไปครอบงําจิตมันก็มีขั้นตอนของเขาใช่ไหมสำหรับคนที่ไป High Class หรือ High Level แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความชิดชนานตรงนั้นแต่สำหรับผู้ใหม่บางคนมีประสบการณ์มาสูงก็สามารถเข้าถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่ผู้ใหม่จะเป็นอย่างที่นั้นเสมอไปดังนั้นตรงนี้เราก็ศึกษาจากสิ่งที่สัมผัสได้ในวิธีการหัวเทียนเราจะไม่ศึกษาในสิ่งที่สร้างขึ้นโดยอานาจของอุปทาน อ, อย่างความชอบใจเนี่ยความพอใจเนี่ยมีหลายระดับมากเลยใช่ซับซ้อนมาก ความไม่พอใจก็มีหลายระดับและซับซ้อนมากที่วันก่อนที่หลวงพ่อเขียนชาติเวทนาให้เห็นเน่ยใช่ไหมเวทนากว่าจะเป็นสุขเวทนาทางกายกว่าจะเป็นกามาสวะเนี่ยมันผ่านชั้นของเวทนาตั้งหลายมิติแล้วก็ทุกเวทนาความไม่สบายกายมิติเดียวอ่ะมันผ่านชั้นต่างๆจนไปเป็นภวาวะอวะทุกความสุขเวทนาที่เราไม่ค่อยใส่ใจสบายไม่สบายของร่างกายเราไม่ใส่ใจเพราะไม่ใส่ใจมันวิวัฒนาการจนไปเป็น อวิชัยสวะเป็นละเอียดเป็นกิเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งเราเราให้เห็นชัดพอจําได้ใช่ไหมวันก่อนดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากๆนะทําไมเขาเรียนอภิธรรมเรียนปริยัตเรียนบาลีเขาเป็นเรื่องเรื่องอื่นเขาไม่ศึกษาควบคู่ไปกับเรื่องนี้เสียดายเวลาของเขาเสียดายความจําความรู้ของเขารู้จําพระไตรปิฎกได้แต่ว่ากระดังดับทุกข์ไม่ได้ เพราะเขาเรียนในตัวตัวบรัติแต่ไม่ได้เรียนตัวสภาวะหรือปรมัดไปพร้อมๆกันแต่ในกรณีที่เราปฏิบัติเรเรียนตัวบัญญัติและสภาวะไปพร้อมๆกันเราเข้าใจทั้งสองส่วนเข้าใจทั้งกายทั้งใจทั้งสมมติบัญญัติทั้งปรมัดบัญญัติเข้าใจในส่วนที่เป็นสังขารและส่วนที่เป็นวิสังขารส่วนสังขารคือการปรุงแต่ง วิสังาขารคือการไม่ปรุงแต่งของจิตรู้เฉยๆนะลักษณะอย่างนี้จะมีมากในชีวิตประจวันดังนะนั้น อ, ออกมาข้าน อ, อีกนิดหนึ่งว่าในช่วงของคอร์สเนี่ยมาจึงมีเรื่องโยคะเข้ามาช่วยในแง่ศึกษาเวทนาด้วยเพราะในช่วงทำโยคะบางท่านมันมีเวทนาแรงใช่ไหม เวลาเรานั่งบางท่าเนี่ยต้องบดต้องเบียดต้องบีบซึ่งเราสร้างทุกเวทนาขึ้นมาโดยเจตนาเพื่อเป็นที่ตั้งของการเฝ้าดูเออทุกเวทนาระดับเนี่ยเราทนไหวไหมเรารู้สึกหวาดกลัวไหมเพราะส่วนใหญ่นี่คนที่เซนซิทีฟอะไรที่มากระทบร่างกายให้ไม่สบายหน่อยก็จะตอบสนองไวมากเพราะเขาไม่ได้นั่งใจที่จะให้มันเจ็บมันปวดหรือไม่สบายใช่ไหมแต่ถ้าเราเจ็บเราปวดเราไม่สบายโดยตั้งใจเปไงเรากลัวไหม ไม่กลัวเพราะรู้ที่ไปที่มาและรู้สาเหตุว่าเรากดอย่างนี้บีบอย่างนี้มันต้องเจียมอย่างนีน้ทีนี้เราก็ต้องเข้าไปรู้สาเหตุของความทุกข์เราตั้งใจทุกข์กับทุกข์โดยไม่ตั้งใจต่างกันไหมทุกข์โดยไม่ตั้งใจเราก็เกิดความแข่งทางจิตเกิดความกลัวใช่ไหมแล้วเกิดการาสงสัยเกิดการคิดปุนแต่งแล้วมาระวังอะไรยังไงแต่ถ้าเราทุกข์แบบ ตั้งใจอ่ะตั้งใจที่จะทุกข์อ่ะภาวะของจิตที่วิตกว่าขัวปุงแต่งหรือเป็นเวทางอกุศลมีไหมไม่มีเพราะเราตั้งใจที่จะให้มันเป็นนี่ความแก่ความเจ็บความตายที่ว่าสูงไปเพ่ออีกนะถ้าถึงเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเนะี่ยแต่เราสามารถจะเจ็บปวดตรงที่มันเหตุเกิดตรงนั้นโดยตั้งใจไม่ตั้งใจได้ไหมเพราะเหตุเกิดแต่ละวันนะเราไม่สามารถจะ ควบคุมได้ไม่รู้มันจะเกิดตอนไหนเพราะมันเป็นหน้าตาใช่ไหมแล้วลุกขึ้นนี่เดินเดินไปเหยียบไ อ, ไ, อไอ้ที่มันพลิกกรอบเดี๋ยวอย่างที่มาเล่ากันก่อนขาแพลงเลยความปวดร้าวเกิดขึ้นอย่างทันทีใช่ไหมแต่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะโดยไม่ตั้งใจแต่เวทนาตรงนั้นมันก็ยังค้างอยู่เราตั้งใจจะรู้มันได้ไหมได้แต่ถ้าเราจะเข้าไปอินกับเวทนาตรงนั้นก็เพราะเกิดจากความ ไม่ตั้งใจไม่มีตัวสติแหละเราก็จะคลาครวนใช่ไหมคิดถึงหมอคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงบ้านคิดถึงยาไปสารพัดเลยทีนี้มันจะสร้าง uh, mental dimension สร้างมิติทางความคิดขึ้นมามากมายแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสติสูงมากพอมันพลาดอย่างงั้นปั๊บเนี่ยก็ไม่ต้องไปบ่นเพอ้อตัวเองว่าเป็นคนขาดสติไม่น่าเลยอย่างนี้บ้านไม่น่าจะสร้างอย่างนี้ทาให้เราต้องพลิกต้ไปไปสารพัดคิดเลยทีนี้ ใช่ไหมนี่เราขาดอะไรขาดสติแล้วมันไปหลายมิติเลยนี่คือมิติทําความคิดแต่พอเรามีสติมาทันปับ๊บพลิกตุกนั้นปับ๊บล้วก็กําหนดรู้แล้วก็จับดูว่ามันเจ็บยังไงมันปวดยังไงซึ่งมาโดนอย่างนี้ปับ๊บมันเจอบ่อยๆ อ, ยอะ่ะมันก็เลยได้ไประสบการณ์อ๋ออย่าเพิ่งวิตกคลก้งร้อนไปกับไอ้สิ่งที่มันเกิดพยายามตั้งสติให้ดี แล้วก็แก้ไขบาบัดไปบางทีมันหายเลยนะเออถึงตัวค้างบ้างก็ไม่มากแต่ถ้ามันเหลืออยู่มันดูแรงมากก็ต้องใช้อยู่ใช้ยาไปตามเหตุปัจจัยนี่คือผลต้องการปฏิบัติถ้าเราใช้สติถูกมันมีผลต่อชีวิตมหาศาลเลยนะทีนี้พอเรารู้รูปรู้นามอย่างนี้รู้อาการของลูกข้องนามว่าออกมาเป็นรูปถ้าอาการของลูกข้องนามออกมาเป็นรูปทำนามทำคือมันทาหน้าที่ของมัน ว่าเราจะนั่งเฉยๆเมื่อ ม, มีอะไรมากระทบไม่ตอบสนองเนี่ยถือว่ารูปทำง า, านนำทำผิดปกติแล้วใช่ไหมใครพูดไม่ได้ยินเนี่ยฉันปฏิบัติธรรมท่านมีสติฉันไม่ตอบสนองก็ได้นี่ยผิดปกติแล้วนำให้ทํางานแต่ถ้าทํางานปกติมีอะไรมากระทบทางกายกระตอบสนองไปตามความเหมาะสมมีอะไรมากระทบทางจิตกระตอบสนองไปตามเหมาะสมถือว่าเป็นปกติรูปทํางานนาทำทํางานแต่เมื่อรูปทํางานนาทำทํางานแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ารูป มันอยู่ภายใต้โกฎของอะไรใจรักใช่ไหมเมื่อมันทํางานมันก็จะต้องมีผลออกมาเป็นสบายไม่สบายถ้าลู่ทำงานแล้วนั่งเนี่ยก็เป็นทํางานแล้วองเรื่องกายกรรมใช่ไหมการนั่งก็เป็นกายกรรมผลออกมาเป็นอะไรสบายไม่สบายแต่การเกี่ยวข้องผลที่ ผลกรรมที่ออกมาทางกายกรรมเนี่ยสบายไม่สบายถ้าเกี่ยวข้องอย่างมีความรู้สึกตัวที่เราได้ฝึกมาดีแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวที่เกิดจากกรรมนั้นก็เป็นกุศ ล, ลกรรมหรือ อ, อกุศ ล, ลกรรมเป็นกุศ ล, ก, ศลกรรมอ่าแต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับ ม, มันโดยไม่รู้สึกตัวด้วยความคิดกรรมที่ออกมาก็เป็นอกุศลกรรมเห็นไหมมันมันมันมันเกี่ยวเนื่องกันรูปธรรมนามธรรมก็ให้เป็นถ้าหากเป็นกุศลกรรมก็เป็น รูปธรรมนามธรรมอยู่แต่ถ้าเป็นอกุศลกรรมก็เป็นรูปโรคนามโรคเชี่ยพายสางวัเทียนคือกายทํากายไม่สบายทําใจไม่หสบายทํากายไม่สบายแล้วสติไม่มีความไม่สบายของกอายก็ไปเกิดเป็นความไม่สบายของจิตด้วยก็ให้เป็นนามโรคนามโรคคือความอยากความไม่อยากความชอบความไม่ชอบเป็นโรคละใจเป็นโรคละโรคชนิดนี้เกิดบ่อยไหมในชีวิตจริงของเรา บ่อยมาก อ, อมองตากันไม่สุกเฉตาเงเกิด น, น, น, น้ําโลกแล้วใครมาพูดเสียงผิดหูหน่อยไหเกิด น, น้ําโลกแล้วเกิดบ่อยมากในเมื่อโรคทางกายเนี่ยท่านในแง่ของวิปัสสนาท่านจึงไม่ใส่ใจมากเพราะอะไรมันว่าบัตรได้ง่ายแต่ว่าโรคทางจิตวิญ ญ, ญาณโรคคอใจไม่ใช่โมจายนี้ไม่ใช่โรคจิตนะโรคทางวิญ ญ, ญาณ โรคจิตเก็มาจากกายมันเป็นบีบคั้นจิตผิดปกติเราไปกินยานอนดับพ้าผ่อนไปหาหมอไปจิตแพทย์ตัวหายใช่ไหมแต่ว่าโรควิญญาณนี่แม้แต่จิตแพทย์เองก็เป็นโรคอันนี้นะก็นมีความชอบไม่ชอบมีความอยากไม่อยากแพทย์มันก็เป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแพทย์รักษาโรคจิตแต่มันรักษาโรควิญญาณไม่ได้จิตแพทย์หลายคนก็เพี้ยนเพียนไปตามที่รักษาเเพราะโรควิญญาณมันรุนแรงนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ รูปมันทำงานนามมันทำงานมีผลออกมาเป็นกรรมกรรมนั้นถ้ากรรมนั้นขาสติเป็นอกุศลกรรมกรรมนั้นมีสติเป็นกุศลกรรมนะกรรมนี้ก็ออกมาจากผลกระทบของอนิจจังทุกขังอนัตตาดัง น, นั้นเบื้องต้นการศึกษาวิปัสสนาท่านจึงให้ศึกษาความชมั่นิเรื่องของอนิจจังทุกขังและเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนานี้ให้ชั่นิชํานาญ ให้เป็นว ส, สีเมื่อเป็นว ส, สีแล้วในความอนิจจังทุกขังนาตาที่เกิดทางรูปเราก็ไปเรียนรู้อนิจจังทุกขังนาตาที่เกิดทางนามได้ง่ายการไปรู้เท่าทันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอนิจจังทุกขังตาที่เกิดกับจิตเราเรียกว่าเป็นอารมณ์วิปัสนาเป็นอารมณ์วิปัสนาเพราะฉนั้นในวิธีการองวัฏฏิจึงเป็นวิปัสนาเป็นแต่เด่ต้นตอนแรกดู อนนจ้จำทุกขังนาจารย์เือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทุกเวทนาทางกายให้เป็นเสก่อนอเวทนาในวิปัสสนาในระดับสมมุติคือศึกษาทางกายไปแต่พอเราไปเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความคิดที่เกิดกับจิตบ่อยเข้าบ่เข้าจนเห็นการเกิดดับของจิตเรียกว่าเราได้ศึกษาวิปัสสนาระดับปรมาภิเป็นวิปัสสนาจริงแล้วทีนี้ และในตัวนี้มันก็จะมีชั้นเรียนของเขาข้อศึกษาข้อสมมติของเขามากมายที่เรียกว่าวิปัสนาญาณไปแบ่งเป็นสิบหกขั้นนับตั้งแต่นามารุปฏิเชตญาณสมมัญญญาณพังคยานพญายา น, ายา น, ยายานไปลําดับจนมัคยานปุรยานซึ่งเป็นหลักวิชาการไม่จําเป็นต้องมาพูดแต่ในวิสุทธิมรรคมีให้ศึกษาแต่พวกศึกษาปรกรณ์ศึกษาแต่ปริยัตไม่มาศึกษาปฏิบัติมันก็รู้ด้านเดียวคือจาปริยัตได้ ทีนี้บางคนก็เอามามิกกันปริยัติปฏิบัติแต่ว่ามันมิกผสมผสานกันไม่ถูกส่วนในสายบางสายเอาวิสุทธิมรรคไปสอนโดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นต้องดูวิปัสนาญาณให้ครบสี่รอบรอบที่หนึ่งเป็นพระโสดาถ <c oughs> ถ้าเข้าใจรอบที่สองเป็นพระสกีนาคาเข้าใจรอบที่สาเป็นอนาคาเพราะเข้าใจรอบที่4ีันรู้เป็นพระอรหันต์เลยเพราะคนทีมีพระอระหันต์แบบนีมีเยอะเลยนะ เอาไปเอามาเวลามีปัญหาไปถกเถียงกันนี้พระาหารันโกรธทีนี้ไปขัดใจพระหารันนี่นรู้ไหมว่าฉันผ่านยานจิ๋หัวมาถึงระดับที่สี่แล้วนะคุณสู้ฉันไม่ได้หรอกเป็นไงพระาหาันสอบตกเลยทีนี้เพราะนั้นเป็นลักษณะที่เป็นปริยัติอ่ะคุณพระคมมลเคยเจออหมพอดมวตเตงง่วงผมไม่เคยเจอเ่าไร <c oughs> <c oughs> ขณะฟังเทศยังลืมเลือนอยูน่นะ ปลุกให้ตื่นนะนั้นเรื่องเราเนี่ยเราจึงต้องปฏิบัติจนให้ได้หลักชัดเจนซะก่อนถ้าไม่ได้หลักสติแบบนี้จนชัดเจนเนี่ยเราไปฟังสำนักวิธีการต่างๆเนี่ยที่เขามีวาทะที่จะพูดให้มันละเอียดประนีนี่มันสลับซับซ้อนโอ้โหเราก็โอ้อันนี้ถูกใช่เลยน ะ, ะเพราะมันมันถูกใจอะ่ะ แต่ถูกต้องผู้ต้องไม่โสดนะแต่ว่าอุ้ซื้อใช่เลยนะมันก็นึกคิดไปตามเขาแล้วแต่เขาจะโน้มน้าวไปตามจิตวิญญาณของเขาแต่เราสัมผัสความจริงไม่ได้นะอันนี้ต้องระวังเพราะนั้นหลายคนมาปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวแล้วพอหลุดไปวิธีการอื่นหลุดไปเลยบางคนก็จะกลับมาได้ใช้เวลาทั้งหลายปีเอาไปวิชีผู้หนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อนะแกเป็นนักลองเก่ามาปฏิบัติทางสายลราเนี่ยตั้งหลายปีแล้ว ไปฟังอีละที่หนึ่งูฟังแล้วทำไมคนไปเยอะเลยขนาดคนสายเราก็ไปเยอะอยากจะไปทดลองดูบ้างแกไปมาก็เห็นหนะมาก็เอ๊ะหายหน้าไปตั้งตั้งนานเมือ่อไอสองสาเดือนก่อนกะมาเจอแต่มาอ้าวไม่ชีหายไปได้มาดิฉันไปทดสอบวิธีนั้นว่ามันดีอย่างไรทดสอบตั้งนานเท่าไหร่สองปีอ้าวทำไมต้องใช้เวลานานแสดงว่าหลงไปกับเขาใช่ไหม อ่าใช่แต่กูยัตาสว่างสองปีนะวันนั้นแต่ปัญญาไม่ชีน้อยก็ต้องถูกหลอกนานๆอย่างนั้นเลยว <Okay. S 1> บางอย่างมันละเอียดมันใขล้ชิดมันภาพมันใกล้เคียงมากอะ่ะนะอันนี้ต้องระวังในความเหมือนนะความเหมือนความคล้ายเนี่ยมันมันสำคัญมากนะลักษณะอย่างนี้แต่ด้วยอุปท า, านก็เราความเหมือนความคล้ายความปนนี้อะไรต่างเนี่ยต้องต้องศึกษาให้ละเอียดมีตัวอย่างเยอะแยะในเรื่องเหล่านี้ย ความเหมือนคลคล้ายระหว่างเทียนที่อยู่ข้างนอกกับเทียนที่อยู่ในกระจกนะ่ยมันเหมือนมันคล้ายกันมากเลยใช่ไหมแต่มันนี้ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทียนจริงอ่ะใช่ไหมเทียนจริงมันมอยู่เล่มเดียวหลักที่ถูกต้องมันอยู่หลักเดียวเอกา ย, ยโนมาโคใช่ไหมแต่มันมีอยู่หลายหลักหลายสำนักมันจะต้องมีสำนักได ส, สำนักหนึ่งนี่ถูกต้องแต่ว่าถูกต้องกันแต่ว่าถูกต้องกี่เปอร์เซนทองมีเยอะแยะทองกี่เปอร์เซนน่ะทองแปดซทองเก้าสเอร์ซนทอง9 9้อร์ มันก็ทองเหมือนกันหมดแหละแต่ทองร้อยเปเซ็นต์ะเราจะรู้ได้ไงไม่รู้จนกว่าเราจะเป็นช่างทองเซเองถ้าเป็นผู้ซื้อทองก็ยังถูกหลอกอยู่ใช่ไมแต่ถ้าเป็นช่างทองเราหลอกไม่ได้ละมันมีความชี้นิชมนานเพราะนั้นเราจะเรียนรู้เป็นนักปฏิบัติหรือว่าเป็นต้องการให้ชี้นิชมนานก็ต้องเรียนให้เป็นครูครูสติที่เกิดขึ้น คือให้ชำนิชำนาญในเรื่องของตัวเองนะมไม่จะไปชำนิชำนาญเรื่องของคนะอื่นถ้าไปชำนิชำนาญเรื่องของอื่นแล้วนะมันผิดแต่ชำนิชำนาญเรื่องของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถูกผิดแต่ว่ามันเห็นอนะอะไรถูกอะไรผิดและใช้ความถูกความผิดมาพิสูจน์ตัวเองแล้วมันก็ดีคืนดีวันเพราะคนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยถามว่าเชื่อตัวเองไหมยังไม่เชื่อ บางทีเราเองก็หลอกเราเองได้ซับซ้อนกว่าคนอื่นดีใช่ไหมไซโครโนจีมันสูงสุยิ่งสมัยนี้ใช่ไหมมีแผนมีอุบายหลายซับหลายซ้อนเลแต่ตัวเราเองเ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มาว่าเราจะต้องศึกษาให้ได้แล้วก็พยายามแต่คนที่จะศึกษาเรื่องซับซ้อนได้ดีต้องชัดเจนไว้ก่อนเริ่มต้นอย่าลืมว่าชัดเจนไว้ก่อน ถ้าชัดเจนบ้างไมช่ชัดเจนบ้างไปข้างหน้ามีโอกาสได้ถูกหลอกมีการชัดเจนได้แต่ว่าอันนี้เป็นทองร้อเปอร์เซ็นอย่างไรต้องพิสูจน์เลยเอามาหลอมกันดูเลยะเอามาเผาไฟกันดูอุณหภูมิสูงเป็นพันองศาเนี่ยถ้าเป็นทองแท้มันต้องไปไงมันไม่มันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเออจะหลอมกค่องศาก็เท่าเดิม เราจะต้องพิสูจน์จิตของเราสติของเราเนี่ยเป็นสติแท้หรือเปล่าความรู้สึกตัวแท้หรือเปล่าก็ต้องต้องพิสูจน์นะอย่าให้ใครมาหลอกได้ยิ่งอาจารย์เนี่ยหลอกเก่งเนีเพราะอาจารย์ลอกรู้มากเพราะนั่นเชื่ออาจารย์ไว้ได้เลยนะแต่ฟังอาจารย์ไว้เราไปพิสูจน์นะยิ่งช่างทองยิ่งหลอกพวกไอมาขายทองได้เก่งใช่ไหมเออทองคุณเนี่ยอ่าแค่70็ดสินะแต่คนจริงทองเขาเก้านสะใช่ไหมแต่มันก็ได้ส่วนต่างส่วนนั้นแหละอันนี้ รู้สิเกพูดเข้าเนื้อตัวเองเลยนะื้อหลอกเยาะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปศึกษาเรื่องนี้ให้ให้ชัดลุกให้ชัดนั่งให้ชัดยืนให้ชัดเจ็บปวดก็ให้ชัดสบายก็เห็นมาชัดชัดได้ความชัดเหล่านี้มันจะทําให้เกิดความมั่นใจเพราะมนพิสูจน์ได้เป็นสัจธิติโกะเห็นเองอ่ะไม่ต้องมีใครบอกใช่ไหมแล้วก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆความมั่นใจก็จะมีสูง หลวงพ่อเทียนพอชัดเรื่องนี้แล้วนะท่านข้าพูดถึงขนาดว่าแต่คนอื่นจะฟังและสับสนนะท่านบอกว่าเนี่ยรู้รูปนามแบบนี้แล้วบอกพระพุทธเจ้าเหาะมามาบอกว่านี่ไม่ใช่นาะเทียนนะอันนี้รูปนามไม่จริงนะผมก็จะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเออขนาดนั้นเลยนะความเชื่อของท่านนะอ่อความมั่นใจของท่านคือต้องมั่นใจจริ ง, งิงนะถ้าพระพุทธเจ้ามาปรากฏไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงพระพุทธเจ้าปลอมเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหม แต่ท่านบอกไม่เชื่อเออท่านพูดอย่างนั้นจริงแต่ถ้าหากว่าคนที่เขาอยังไม่สัมผัสปรามาตัตดของหลวงพ่พเทียนกล่าวดูผู้ที่ย่อไปนู้นเลยใช่ไหมนะบอกอันนี้ไม่ใช่นะเทียนอันนี้ไม่ใช่ลูกนามนั่นผมก็จะไม่เชื่อผมมั่นใจของผมอย่างนี้มีอาจารย์กรรมาฐานอื่นไม่กล้ายืนยันแบบนี้แต่หลวงพ่อเทียนเป็นนะะ ถ้าเรื่องนี้ไม่จริงถ้าพิสูจน์แล้วไม่จริงค อ, อผมม่ตัดเลยมาตัดคอผมเลยมันอันนี้อาจารย์กรรทการอื่นพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแต่หลวงพ่อเขพูดตามมาว่าเทียนดั้นั้นดังนั้นความชัดเจนเนี่ยจะพัฒนาไปเรื่อยๆหน้าที่ของบุรุษธมีสี่อย่างหนึ่งเปิดของที่ปิดของที่มันมันมันปิดไว้อย่างนี้นี่ท่านเปิดขึ้น ้ในที่หนึ่งคืออย่างนี้ในที่หนึ่งคืออย่างนี้เปิดห้องที่ปิดสองหงายของที่ควมนะสามชูแสงสว่างในที่มืดถ้าในห้องนี้มันมืดนะท่านเปิดไฟให้สีบอกทางแก่คนหลงทางเราหลงมานานขนาดไหนว่าสำคัญว่า ถ้าสี่ขห้าเป็นเราแม้ปัจจุบันจเจริญสติแล้วก็ยังหลงอยู่นะออกไปนี่ใครไปตกหลังโดยที่ไม่รู้ตัวบางดีเออมาตตฉันทําไมเนี่ยฉันขึ้นทันทีเลยมั้งถ้าจะรู้อะสักแต่ ว, ว่ารู้ตกสักแต่ ว, ว่าตกงนี้นะเป็นไงก็สบายใช่ไหมแต่ว่าฉันนี่ยังทําไม่ได้ยังตกสักฉันตบแกก็ตกชันเหมือนกันนะเอ า, อางนี้ก็เลยแหละเห็นไหมเราก็ยัง ไม่สว่างจุดนี้เพราะนั้นหน้าที่ของมระพุทเจ้าจําไว้มีสี่อย่างคือหนึ่งอะไรเปิดของที่ปิดสองหงายของที่คว่ำสามสู่แสงสว่างในที่มืดสี่บอกทางแก่คนหลงทางแล้วหลงมานานแล้วหลงสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเราเป็นผู้สวยไม่สวยเราเป็นคนรวยคนจนใช่ไหมแล้วก็ไปสมมุติแล้วก็ไปสำคัญสิ่งที่เราสมมติเนี่ยเป็นเราจริงจิงยากนะยาก แต่ว่าพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสําเร็จสักวันหนึ่งเอาแค่ว่าความยึดติดในลูกในภรรยาในเมียในพี่ในน้องก็ยากอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องลําบากใจนะเหมือนที่อาจารย์ทีรยุทธว่ามาเมื่อวานนะคุณใส่รองเท้าไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งเห็นรองเท้ามันสึกถามว่ามันสึกวันไหนเนี่ยพอเป็นวันสึกทุกวันน่ะแต่ขอให้บวให้เบียดมันอยู่นั้นเรื่อยๆได้ เหมือนกันกิเลสของเราถ้า่อเอาสติไปขัดไปเกาไปเหลาไปแต่งนี้ทุกวันทุกวันมันก็สึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจิตใจของเกิดจิตใจของเราเกิดเกรีงเกาห่องใสขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้เองถึงวันนั้นไม่ต้องหวังนะไม่ต้องหวังว่าจะเป็นแต่รองเท้านั้นใสไปเรื่อยๆไม่ต้องหวังว่าจะให้สึกแร้วไม่สึกเดี๋ยวมันมันสึกให้เห็นเองนะแต่ทําให้มันถูกทางนะ จะให้รองเท้านี่สึกืบใส่รองเท้าเปลี่ยนรองเท้าไปเรื่อยๆสิบคู่ยังไม่มีสึกสักคู่เลยชอบเปลี่ยนรองเท้าบ่อยเงก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นอะนรในจังลูกขังน้ตาของรองเท้าหราแต่คนสมัยนี่โหใช้รองเท้าคู่เดียวจนทะลุเลยน ะ, ะจนทะลุเดี๋ยวนี้โหมันแบรนด์ไม่ถูกใจหน่อยก็เปลี่ยนแล้วน ะ, นะเห็นไหมเราก็จะเปลี่ยนใจง่ายแบบนั้นนะการปฏิบัติเอาบางเอาบางังชัดบางไม่ชัดบังนี่ไม่ได้นะให้ชัดชัด แล้วถ้าทําถูกแล้วมันก็เป็นไงง่ายสบายเบานะีอันนี้ในส่วนใ น, นส่วนของจิตนะีแต่ในส่วนของนามในส่วนของรูปเนะี่ยก็ต้องให้ชัดเจนเหมือนกันว่าสุขภาพของเราร่างกายของเราเรารู้ว่ามันเป็นไ ป, นปนตตาอํานาจของอ น, นิจจังทุกขังอน้าตาแต่พอเรามาเจรหลวงพิปัญสนะบอจิตของเราอยู่เหนืออ น, นิจจังทุกขังหน้าตาได้แต่กายอยู่เหนือไม่ได้แต่ฉันใช้คำว่าบําบัดได้ ทำหนักให้เป็นเบาได้ทำหนักให้เป็นเบาได้ท่านไม่ใช้คำว่ารักษาให้หายขาดไม่แต่บำบัดให้ทนได้พออยู่ได้ร่างกายนี้มันเกิดแก่เจ็บตายแต่นี้จะชะาเมือให้มันเกิดแก่เจ็บตายช้าหน่อยมันเกิดแก่เจ็บตายแบบเบาเบาหน่อยอย่าให้มันดูแดงทำได้ใช่ไหม มันเจ็บร้อยหนึ่งจะทำไงให้มันเหลือสัก20อย่างเงี้ยทำได้ใช่ไหมแต่ไม่ให้มันเจ็บเลยเนี่ยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นไปไม่ได้ความตายความก่อนที่เราจะตายเนี่ยโอ้ความเวทนามันมาแรงมากร้อเปเซนเต็มเลยจิตของเราถ้าไม่มีสติเข้มแข็งเด็ดขาดก็จะสายไปตามเวทนาพอใจจิตสายไปตามเวทนาตายแบบขาดสติเลยใช่ไหมแล้วก็ไปเกิดในทุกขติแต่พอเราจิตเรานิ่งตั้งมั่นเวทนาบีบเท่าไหร่ก็เฉยเนี่ย มันก็ผ่านแต่มันก็เสี่ยงใช่ไหมเกิดวันขึ้นมาปีบเดียวเนี่ยเกิดตายขนาดนั้นน่ะเพราะนั้นทําังไงให้มันไม่ไม่เสี่ยงก็เริ่มดับเวทนาตั้งแต่สบายๆนี่ไปเริ่มลดเวทนาจนไปถึงวันสุดท้ายที่เราจะเวทนาทางกายไม่มีเลยไม่ต้องทนใชแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงเวทนาสงบเย็นบาคนตายอย่างสบายไม่มีความเล่าร้อนดิ้นรนอะไรนะถ้าย่างสบายเย็นๆคิดว่าจิตเขาไปดีไหม ไปดีก็เป็นสุคติใช่ไหมดังนั้นเราก็เช่นเดียวกันเริ่มศึกษาและเพิ่มฝึกดับเวทนาเวทนที่เป็นต้นไปเพื่อจะไม่ให้มันเสียงในวินาทีสุดท้ายแต่ถ้าเราปล่อยให้เวทนามันแรงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้จักบำบัดเวทนาทางกายทางใจเป็นนะเรารู้ได้ไงว่าในชาติก่อนๆนั้นเราไม่ได้ไปฆ่าคนมาไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ใหญ่ๆมาเนี่เราไม่รู้ใช่ถ้าเกิดว่า กรรมเหล่านั้นมันมาตามเราตรงนั้นนะเราเขาก็ใส่เวทนาเนะี่ยเล่นงานเราที่จะตอบสนองวิบากกรรมต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีเวทนาแรงพอกรรมเหล่านั้นเป็นโอโหสิกรรมหมดนะตอบสนองไม่ได้เพราะไม่มีทางมานี่คือการเจริญสติเพื่อรดความทุกข์เพื่อบรรเทาความทุกข์เวทนาต่างๆมันมีภาสีมันมีความได้เปรียบมันมีกําไรเอามาถึงบอกจะอยา ก, บอ ก, บ, อกบอกเรื่องนี้กับคนเนี่ย ให้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้คนที่มาจากอเบยภูมิมันเกิดเยอะเหลือเกินเราถึงได้เดือดร้อน ข, ขนาดนี้เนะี่ยไม่รู้ถ้าหากว่าคนตายไปแล้วมันไม่เกิดอีกเนะีมันมันไม่มีปัญหาแต่คนตายแล้วมันเกิดอีกแก่เกิดมาไม่ใช่เป็นผีเป็นเผดอย่างนิทานเขาว่าก็าผีเผดในตัวเราเนี่แหละเผดยักษ์ในตัวเราในนี้อ่ามันกินนั่นมันโกงนั่นใช่ไหมทําให้เราต้อง ขาดโอกาสขาดความเจริญไปก็เพราะผีเปรตเหล่านี้มาในรูปแบบต่างๆตรงนี้ตัางหากเปรตยักษ์สัตว์อสุรกายเหล่านี้ต่างหาที่น่ากลัวใช่ไหมเปรตยักษ์สุรกายในนิทานไม่ต้องไปกลัวมันอมันอยู่อีกมิติหนึ่งแต่มิติที่มันอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยมันทําให้เราได้รับผลใช่ไหมถ้าเปรตตัวหนึ่งมาสิงลูกเราไปไงลูกเราก็ต้องไปติดยาใช่ไหม อ, อสุรกายตัวหนึ่งมาถึง มาสิงสามีเราไปไงมันก็ต้องลงศอกลงเข่ากันหรอก <c oughs> ถ้าสัตว์ในลโลกตัวหนึ่งมาสิงใจพ่อเราไปไงพ่อเราก็โมโหไลยน ะ, ะเห็นไพวก อ, อบปยภูมิที่มาสิงจิตสิงใจคนกใกล้เราเนี่ยเราเดือดร้อนใช่ไปัญหาสังคมก็เกิดเพราะอย่างนี้เพราะนั้นอบปยภูมิสัตว์ที่มาเกิดในคนเนี่ยมันอันตราย เพราะฉะนั้นเราก็าจะไปปราบไปฆ่าไปขีปเ่เขาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอีกนี่จะทํายังไงเราก็ต้องป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองหมายความว่าจะไปทําร้ายใหม่ป้องกันใจของเราไม่ให้ไปรับเอาเชื้อเหล่านี้มาและป้องกันใจตัวเองจะเห็นรูปมันตบมันตีกันเนี่ยเปลี่ยนสองตัวมันลบกันทําไง <c oughs> ใช่ไหมในฐานะเราถ้าไม่ได้สติเราก็กลายเป็นอะไร เป็นเปรตอีกตัวหนึ่งบ้านทั้งบ้านปเป็นเปรตทั้งนั้นเลยลบกันแยงสมบัติกันนะแต่ถ้าเรามาเจริญสติแล้วเนี่ยเรายกจิตขึ้นจากความเป็นเปรตเราเป็นพุทธภาวะแล้วเนี่ยนะถ้าก็เห็นเปรตมาลบกันเราก็ดูใช่ไหมเราจะแก้ไขมันย่งไรถ้ายัางแก้ไขไม่ได้ก็เอาเอาน้ําไปสาดมันก่อนกันให้มันเลิกลากันดังนั้นปัญหารอบๆด้านของเราเกี่ยวไปกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้น แต่เนื่องจากว่าเราโยงยังไม่เป็นเพราะว่ามุตาสว่างของเรายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะยงเหตุไปสู่ผลโยงผลสู่เหตุยังไม่เป็นมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ไขที่เหตุว่าการยืนเดินนั่งนอนของเราเนี่ยมันมีเวทนาไหมมีเราจะจัดการเวทนาตัวนี้อย่างไรเหตุเล็กๆแค่นี้นะถ้าเราทําไปต่อเนื่องมันไปแก้ไขเหตุที่ใหญ่หลวงมากเลย มาถึงมั่นใจว่าคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรามาคบาวิสัยจริงๆว่าเราเสียดายชีวิตมนุษย์แทนที่สุขติภูมิสัตว์มนุษย์เทวดาอินภูมิอริยเจ้าจะไปสิงใช่ไหมทุขติภูมิสัตว์มาสิงไปเนี่ยโลกบรรยากาศในโลกเลยไม่น่าอยู่เลยใช่ไเต็มไปด้วยสารโลกเปรตอิสุลกายไปหมดเราถึงวิ่งมาฝึกพูดกันเนี่ย เพราะถ้าสมมติว่าเราไม่รีบมาฝึกทั้งนี้เราก็จะเป็นทุกขติภูมิสัตว์อีกคนหนึ่งเหมือนกันว่านีนนะ่ยพร้อมที่จะลบเลวกับใครก็ได้ใช่ไหมดังนั้นเองขอให้เราพัฒนาแล้วก็ศึกษาจากจุดนี้อย่างเต็มใจอย่าไปทำแบบลังเลสงสัยถ้าทำแบบเต็มใจและเข้าใจมันไวมากมันไวแต่ทำแบบลังเลใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกสงสัยนี่เนะี่ยเสร็จเลย พัฒนาได้ช้ามากเลยเนะี่ยดังนั้นความลังเลสงสัยจะเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงนะเวลาเราปฏิบัติแล้วก็สํารวจแล้วเนี้ยเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจเรื่องอสบายไม่สบายเรื่องความคิดเรื่องไม่คิดคิดแล้วเปิดประเภทไหนคิดโดยสติปัญญาหรือคิดโดยธรรมารมหรือคิดด้วยการปบูมแต่งก็สํารวจแค่นี้แหละมันจะเป็นต้นตอของทั้งหมดเลยไม่ต้อง ความจริงเรื่องปฏิบัติที่จะทําจริงๆมันไม่เยอะหรอกพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอะไรใบไม้กำมือเดียวแต่สิ่งที่ท่านรู้มหาศาลนี่ก็คือใบไม้ในป่าผู้ ว, วันครูอาจารย์ท่านสอนใบไม้ในป่ามันเลยช้าไงชาวพุทธของเราฟังธรรมะ ก, กันมาไม่รู้กี่พันกันแล้วไม่รู้กี่ปีก็ออยังเหมือนเดิมโดยเฉพาะคนใกล้วัดนะะประคทายโยกว่านได้กลายเป็นเปรตไดหมดเลยทั้งๆอยู่ใกล้อาจารย์นะ เพราะฉะนั้นจุดนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาให้ชัดเจนเสมอนะแล้วเราจะปลอดภัยแล้วเมื่อเราปลอดภัยแล้วเราก็ช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยได้นะง่ายๆเรื่องการอยู่การกินการเดินการนั่งการลุกการไปกันมาหน่วยเล็กๆของอิเดียบทเหล่านี้แหละแต่มันมีผลต่อหน่วยใหญ่นะ ส่วนเราปฏิบัติไปนานเข้าแล้วนานเข้าเวทนาทำอะไรเราไม่ได้แล้วแต่เราจะใช้เวทนาเหมือนกับเราเกี่ยวข้องกับไฟสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมไม้แต่จะไประจับสายไฟก็ยังกลัวทั้งที่มันไม่ดุดหรอกออพระทีวัดอนมาใช้ไปเกี่ยวข้องกับสายไฟผมกลัวกลัวไงไฟมันไม่ไดีเสียฟลักมาไดยมันกลัวขนาดนั้นเลยนะอุปทานมันเพราะไม่รู้เรื่องของไฟแต่ พอไปช่างเอามาไปเห็นช่างใหญ่ที่ไปเดินสายไฟฟ้าแรงสูงของสี่เฟสมเฟสสี่สที่วัดออกมาไม่ได้สายไฟใหญ่ๆที่ไฟแรงเขายัางจับได้เลยเขามีวิธีจับแต่ของเราจะใกล้ก็ไม่กล้าเข้าใกล้กลัวมันดูดเพราะไม่รู้เรื่องมันใช่ไหมกายกับใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องมันเนี่ยมันน่ากลัวมากน่ากลัวแต่ถ้าเรารู้เรื่องมันเนี่ยโอ้โหมันวิเศษมากเลย มันวิเศษมากที่การใช้หนึ่งสร้างความสุขกายสุขสบายใจให้แก่ตัวเองตลอดชาติตายไปก็ไปนิพพานเลยแต่ถ้าไม่ศึกษาไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะใช้ตัวเองไม่ครบร้อยปซนแล้วก็ยังสร้างปัญหากระทบผู้อื่นได้ด้วยมันน่าเสียเวลาน่าเสียดายขนาดไหนในชีวิตคนโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูงแล้วอยากให้มันศึกษาเรื่องมากที่สุดเขาจะใช้ความรู้ทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองแล้วก็ต่อ เพืนมนุษยชาติมากมายมหาศาลแต่คนที่มีความรู้มากส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่เป็นวิชาทฐิฉันรู้หมดแล้วไม่ต้องเรียนอีกแลได้ใช่ไหมเขามันรู้ผิดอ่ะเมื่อรู้ผิดแล้วความรู้ก็ช่วยตัวเองไม่ได้คนรู้แล้วทําไมปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์คนรู้แล้วทําไมปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคภัยไข้เจ็บทําไมความรู้นไม่รักษาเขาก็เป็นความรู้ที่ผิดเป็นความรู้ของวิชามันไม่ใช่ความรู้ของวิชาในผู้ศาสนา เพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้มหากแล้วถ้ามาเจริญสมาถสติเขาคนนั้นจะสุขตลอดชีวิตและจะแบ่งความสุขแบ่งปันความสุขนี้ไปให้แก่สังคมและชาวโลกได้มหาศาลนะเพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษาเรื่องนี้ไปแต่การที่คนมีความรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีบุญดังที่เขาก็าามีบาปมาแต่อดีตถึงมีความรู้ความรู้ก็ทํำลายเขา เป็นเครื่องมือทำลายเขาได้อยังลึกซึ้งและความสับสนรุ่นายของโลกทุกวันก็เกิดจากคนรู้มีวิชาทั้งนั้นนะแต่มันเต็มไปด้วยอาวิชาสร้างเงื่อนไขสร้างความชั่วได้อย่างสลับซับซ้อนยากแก่การแก้ไขล็อกไว้หมดแก้ไขไม่ได้แม่พุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะเกิดจากมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นความอ่าวพุทธเจ้าใช้คําเตือนคําด่าที่แรงที่สุดแต่ใช้คำมิจฉาทิฐิแค่นั้นแหละ ไม่ได้ใช้มาได้ลงถูงฉีดอนี้แล้วคําว่ามิจฉาทิฏฐิไหมเพราะว่ามันจะทุกตลอดชาติตลอดกับตลอดกันไม่ได้ผุดได้เกิดแต่เป็นสัมมาทิฏฐิคนละเรื่องเลยพลิกเพราะฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองนะเมื่อเป็นสัมมาทิฐิแล้วนี่ปลอดภัยละแต่ปลอดภัยกี่เปอร์เซ็นต์สัมมาทิฏฐิระดับพระโสดาบันปลอดภัย25สิาเปซตสมาทิฏฐิระดับพระสิกทามีปลอดภัย50อร์ ปลอดภัยจากทุกน่ะถ้าสมาธิฐีระดับพระอนาคามีปลอดภัยจากทุกแปดเป์เซ็ถ้าสมาธิฐีระดับพระหรหันต์ไปไงปลอดภัยจากทุกเลยร้อยเปอร์ซ็นแล้วเราอยู่ในโลกนี้มีความรู้มีความสามารถแล้วยังจะทุกอยู่อีกเหรือตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าคิดมากนั้นก็ให้รู้ภูมิหลังเขาว่าความรู้ที่เขามีอยู่เป็นความรู้ของมิจฉาทิฐิ ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาทุกอย่างนั้นไปแต่ที่เราเกรงก็คือว่าความทุกข์ไม่ได้จํากัดอยู่ในตัวในใจเขาจะความทุกข์ที่เขามีอยู่มันไปเฮิร์ตไปทําลายไปเบียดเบียนผู้อื่นมากมายไปก่อให้คนอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อไปอีกนั่นคือสิ่งที่เราจะป้องกันเราจะไม่รับอ น, นิสงฆ์แห่งมิจฉาทิฏฐิของคนรอบข้างเราก็ต้องมาสร้างตัวให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก่อนใช่ไหมคนรอบข้างเราเราไม่รู้ว่าใครเป็นสัมมาทิฏฐิใครว่างเป็นมิจฉาทิฏฐิ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราต้องมาศึกษาเรื่องนี้ให้ดีนะจะหมดเวลาแล้วเนาะก็สําหรับชาวเนี่เราจะต้องไปศึกษารายละเอียดเรื่องเวทนาทุกระดับเพราะตัวนี้เป็นที่มาของบุญและบาต ท, ทั้งปวงตัวนี้เป็นที่มาของนรกและสวรสดินิพานทั้งปวงถ้าไม่ละเอียดเรื่องเวทนาที่เกิดในกายแล้วคุณไม่ต้องไปศึกษากีฬาผู้เรียนจบมา18บ8ดอกเตอร์ ท่านยังมาทิ้งหมดเลยมาเอาศาสตร์เดียวคือพุทธศาสตร์ท่านถึงไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ไมีดรเอร์มากขนาดพระุทธเจ้าหรืเจ้าชายจีนธรรมนะแค่ดร็อร์สองดออร็อเร์ก็หลงตัวเองเกือบตายแล้วใช่มเราทิ้งไม่ได้ดังนั้นขอให้เราตั้งใจศึกษาเรื่องนี้แล้วเราก็จะชำนิชำนาญในเรื่องเวทนาแล้วจะใช้เวทนาให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภูมิธรรมภูมิปัญญาต่อไปนะ ก็ขออนัทนาสาธุด้วยความตั้งใจที่เราจะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้โดยละเอียดทีทั่วและชัดเจนเสมอจนกระทั่งเห็นมุมสว่างทางสงบของด้านจิตใจด้วยกันทุกคนทุกท่านถือพราพระพร้อมกัน